พระธรรมเทศนาแผ่นที่114ลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่14มิถุนายน2560นมีชื่อเรื่องว่าบวชแบบเรียบง่ายศรัทธาญาติโยมคงเหตุหลวงพ่อพูดอะไร ก่อนที่จะล้างเท้าพวกจัดกับศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อพูดเกี่ยวกับมีคนถวายที่ดินนะที่ดินนีน่ฝากภูเขาไปทางนู้นนะทางจังหวัดเลยตีนเขาทางนู้นนะประมาณที่ประมาณร้อยเจ็ดสิบไร่นะที่เจ้าของเขาคือทำงานเคยทำงานทากศแถบ น่าอยู่น้ำโสมในแถวนี้แหละแตนี้ยเขาย้ายไปอยู่ที่ขอนแก่นเขาคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อวัดวาศาสนาที่เขาเคยบวชที่วัดนาคําน้อยเรานะที่เขาเคยบวชอยู่ที่นี่แต่นี้ยเขาก็ไปทํางานคิดว่าเขาก็ห่างไกลาจากที่ดินที่ดินนี่ก็เขาก็ถวไหว เอกสารสิทธิ์ให้หลวงพ่อหลวงพ่ออน่าจะเป็นประโยชน์ต่อวัดวาศาสนาปัวันนี้เมื่อฉันจังหวนเสร็จแลวเมื่อบวชเสร็จนะบวชเสร็จหลวงพ่อจะนัดให้พระผู้ใหญ่ของเราแล้วก็หลวงตาสามหลวงตานะหลวงตานิคมหลวงตาสมบัติหลวงตาหวดแล้วก็ท่านลุนท่านตั้ท่านเสียงสามสี่องค์ พระสี่ห้าหกงพระแล้วก็มีทั้งศรัทธาญาติโยมด้วยจะเพื่อปุรย์ว่างค่ะนั่นเมื่อประชุมกันเรียบร้อยแล้วก็หลวงพ่อคิดว่าคงจะอยากจะให้ไปดูไปแทนหลวงพ่อนะให้เป็นแทนหลวงพ่อไปดูทั้งศัทธญาติทั้งโยมทั้งพระด้วยแล้วก็ไปต่อไปเมื่อประชุมกันแล้วก็เรียกเจ้าของเข้ามา เจ้าของที่ดินมาเหมือนวันไหนมันว่างนะหลงพ่ออยู่แล้วไม่อยู่ก็ตามนะเมื่อไหร่มันว่างแต่วก็นัดเข้ามาแล้วก็พวกเราก็นัดกันไปดูไปดูกับปักหาไม้ไผ่ไปด้วยปักหลักปักหลักปักหลักปักหลักมัดทงสีแดงผ้าสีแดงมัดมัดมัดมัดเป็นเขตเสรแล้วก็เนี่ยให้ ถามดูไทยถามไทยดูว่าเป็นที่ดินอะไรนอนสอสามไม่สอคอไม่ชันโนดไม่ป่าสังวนไม่ที่ทำเลไม่ช่วยกันถามในรายละเอียดแต่เขาก็บอกว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของเขาเขารักษาเอกสิทธิ์มาเป็นเขาทำกินมาไม่มีต้นไม้แล้วมันเป็นที่ไร่ของเขาแล้วลักษณะเป็นเป็นใบอะไร ยังไม่ถึงขนมโซ่สามเป็นบพทลักษณะอย่างนั้นละแต่พวกเราไปสืบสอบในรายละเอียดดูจากนั้นก็ปักหลักเสร็จแล้วก็นะขั้นตอนต่อไปก็เอาแมคโครไปทำถนนล้อมรอบไม่ใช่ถนนใหญ่หรอกตะกุยตะกุ ย, ตะ ก, ยตะกุยไปให้เป็น เ, นเขตนะต่อไปอาจจะปลูกต้นไม้ปลูกไม้ดูป่าขาไม้ดูมะขามตะเคียนทองไม้สัก ปลูกใส่เข้าไปต่อเป็นป่าดวงพงไัรยเจไร่ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะต่อไปถ้าว่าต่อไปภยายภาคหน้าเราจะสร้างเป็นวัดวาศาธนาจ้าหลวงจาราที่พักกุฏิยังคอยว่ากันอีกต่อไปันขั้นตอนนะอันนี้เพียงจะพูดขั้นตอนให้ฟังว่าขั้นตอนที่แรกเราจะทำยังไงขั้นตอนที่แรกนไปชุมกัน ที่วัดของเราทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายฆราวาสเพราะวัดคําว่าวั ด, วดคำนี่นะมันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดพวกเราต้องรับผูรับทรา บ, บ, บ, บ, บ, บร่วมกันในเมื่อเสร็จแล้วกัเรียกเจ้าของที่ดินของเออออกมาชี้แนวเขตพวกเราก็ไปดูแนวเขตเราก็จะลืมเอาหลักไปปักด้วยเขาชี้ตรงไหนก็ปักปักแล้วก็บอกให้ชาวบ้าน ในถิน n ั้นเขามาดูโดเขตของเขาบอกไปทางผูพยาบ้านบ้านที่เราจะต้องไปให้เขามาพร้อมกันที่ดีงขใครจากนั้นเขาปักเขตพอปักเสร็จเรียบร้อยก็เป็นที่รู้กันเขตของเขาอยู่ตรงไห น, นจากนั้นเราก็ค่อยหารถแม็กโครไปไปปรับตามแนวเขตโัตะกุยตะกุยตะกุ ย, กยไปให้เป็น เขตเป็นแนวไปไปต้องละเอียดล็อกเพียงตังแมโคไปได้เท่านั้นหละต่อไปคอยคิดทำรั้วทำอะไรขึ้นมารัว้วดน้ำจากนั้นเราก็จะที่พักสาหลงสารากุติที่ตรงนี้นยังคอยว่ากันไปตามขั้นตอนน่ะเนี่ยหลวงพ่อพูดเมื่อเช้าพูดก่อนมาล้างเท้านะ ศรัทธาแย่งช่วงคงจะฟังมันกันเอ๊หลวงพ่อพูดอะไรวะทําทไมเป็นจริงเป็นจังฮะเพอหลวงพ่อถ้าที่ดินมากหลวงพ่อก็สนใจอยู่อย่างน้อยก็ปลูกป่านะอย่างวัดเราเนี่ยปลูกปลูกป่าขึ้นมาทดแทนเป็นปอดเป็นที่หายใจของผู้คนต่อไปบางคนไม่จ ะ, จะจะตัดป่าทําลายทําทําลายป่ากิดทั้งหมดเนะ่รพอมันคนมันมากนะ เ, เราก็เอา อย่างน้อยก็เป็นปอดไว้ชักแค้งหนึง่งเป็นที่หายใจต้นไม้นะอรมเย็นเป็นสุขจะมีป่านะวันนี้เป็นวันพุทธที่สิบสี่มิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้ยหกสิบวันนี้พวกเราเมื่อฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วคงจะมีการบวชนาคสององค์นะผู้ใดว่างพอจะมาผู้ที่ยังไม่เคยเห็นการบวชนาคก็ ดูก็ได้ถ้าคุ้เคยเห็นเคยดูแล้วก็อเออก็ไม่มีพิธีกรรมพิธีการอะไรบวชง่ายๆบวชเพลพระกรรมฐานไม่มีการแหน่งแหหนักไม่เหมือนบาทบวชวัดบ้านแต่บวชบางแห่งเขาต้องมีกรรมพิธีหลายๆอย่างสูข้อนักบางอะไรตัมีอะไรหลายๆอย่างแต่กรรมฐานของพวกเราเทําแบบเรียบง่ายเรา ยึดถือแนวปฏิปทาของพระพุทธเจ้าก็ว่าได้ถ้าพูดคานี้ขึ้นมาเอ้ใครจะไม่ยึดถือว่าพวกเราคงจะถกเถียงกันแต่พอพูดฟังเนื้อหาสาระแล้วก็คงเกี่ยงเถียงไม่ขึ้นนะเออใช่พระพุทธเจ้าเนะี่ยท่านไปบวชเนี่ยท่านไม่ได้แห่แหนจริงๆนะอ ย, ยอมรับแหละสิ่งนี้เหตุใดเพราะพระพุทธเจ้าก่อนที่จะหนีออกจากเวียงวัง ท่านหีออกกลางคืนนะประมาณเที่ยงคืนไปกับนายชนะเท่าทนั้นเองตอนหัวค่ํำพระองค์ก็บอกชนะ เ, เตรียมม้านะ น, น, นายชนะก็ไม่รู้อะเตรียมม้าเพราะอะไรนะเตรียมมานะนน้านะชนะนะอพอลูกเจ้านายสั่งแล้วลูกน้องก็ต้องปฏิบัติตามไนงะจะไปถามว่าเจ้านายครับจะให้ผมเตรียมม้าไปเพื่ออะไรครับนี่ยจะไปถามได้ยังไงคอขาดใช่ไหมละ่ะ <laughs> พ่อลูกน้องเนี่ยช น, นะเตรีย ม, มานะให้พร้อมนะครับผม <laughs> พอจากนั้นพระองค์ก็พอถึงเที่ยงคืนดึกสงัดพระองค์ไม่ได้บอกไม่ได้สั่งไม่ได้ลาใครเลยนางพิมพายะโสธราหรือว่าใครพระบิดาพระเจ้าจุดโทธนะพระบรมวงศานุวงศ์เสนาอามาต ร, ราชเวททั้งหลาย พระองค์ไม่ได้ลาใครเลยไม่ได้บอกให้ใครรู้เลยรู้แต่นายชนะท่นั้นที่เป็นคนนะที่บิดถ้าเป็นวิญญาณก็มีสามม้าขันธกะนะว <c oughs> ิญญาณมีสามวิญญาณรู้นะพระพุทธองค์ ông, นายชนะและม้าขันธกะนะพอถึงเที่ยงคืนพระองค์ก็เห็นดึกสงัดขึ้นขี่หลังม้าขันธกะเลย นายชนะก็เกาะท้ายเลยแต่บางคนว่าเกาะหางไม่ใช่เกาะหางเกาะหางก็ตกหลุดทำไมไปใครเกาะหางม้าได้หลวงปู่จามบอกว่าใครว่าไปสิตาเอกนายชนะเนี่ยเกาะหางม้าเนี่ยมันก็ซ้อนท้ายแหละคนไปด้วยกันมันก็ต้องซ้อนท้ายม้าเน่ะกอดเอวน่ะเพื่อไม่ให้มันตก่ยพราะม้ามันวิ่งเร็วนะ เออใครจะไปหาเกาะหางม้าอะไรใครเคยเคยเกาะหางม้าว่ะลุงปู่จามว่านะลุงพ่อก็นึกขับอยู่พวกลุงตาลุงปู่จามพิจารณ์่ใช่ลุงพ่อก็เป็นหลานของท่านใช่ไหลุงอาพูดยังไงลุงพ่อก็ฟังนะลุงพ่อไม่ตกไม่เถียงเวลาครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่พูดท่านพูดให้ฟังอย่างนั้นก็ฟังนะเออก็ใช่ใช่มีเหตุผลนะเราก็ว่างใครจะไปเกาะหางม้าอะไรยังไง แต่ในในพุทธประวัติพอพบนายชนะไม่กล้าที่จะขึ้นไปนั่งซ้อนท้ายอพอพระพุ ท, เทธเจ้าออจิตถะนะไม่กล้าที่เขาไปไปนั่งซ้อนท้ายศีรถะนะอไม่กล้าได้ยังไงพอถึงข่าวมันจะต้องไปก็จะต้องนั่งม้าช้อนซ้อนท้ายไปแต่ว่าการนั่งม้าซ้อนท้ายไปเนี่ยศีรถะท่านก็รู้แล้วว่า จะทำยังไงจะทำยังไงในพระฏายของพระองค์ท่านเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วถ้าจะทำอะไรไปนี่ท่านจะทำอะไรสรุปแล้วก็คือท่านอยากเป็นนักบวชท่านจะบวชนะแต่ท่านจะบวชในวันนั้นเนะ่ยเพราะอะไรเนะี่ยเพราะท่านเสด็จเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายครั้งที่สี่เนี่ยไปเห็นสมณะนะ สมณะคือนักพรตนักบวชอย่างที่ลหลวงพ่อกระพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยนักพรตนักบวชใส่ยูนิฟอร์มเสร็จแล้วท่านก็เป็นนั่งอยู่ที่โครนต้นไม้ทางที่สิทธะจะเด็จเข้าไปในไปชมสวนอุทยานในกรุงกระ บ, บินลพัดนะท่านดุโคนต้นไม้คงจะเป็นทางเปียวยังที่เงียบสงบที่ร่มต้นไม้ท่านเห็นเป็นเห็นสมณะ นั่งคัดสมาธินั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงนั่งคมหน้าเน่งอยู่ตามลำพังคนเดียวนะสิทธะที่นั่งไปที่เสดไปพร้อมกับปริวานนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินฮะเดินไปกังมองไปเอ๊ะอันนั้นคืออะไรชนะนะใครเป็นเป็นคนใช่อันนั้นคือนักพลดครับนักบวชส ม, มณะนันนั้นคือส ม, มณะ เขานั่งคัดสมาธิเขานั่งอยู่ที่โครนต้นไม้เขานั่งหาวิธีคุ่นคิดหาเรื่องราวที่เขาต้องการวิธีเขาไปคิดที่อื่นเขาคิดไม่ออกเขาจะมานั่งอยู่ตามลำพังในที่สงบสงัดอย่างนี้พอั่ง g เสร็จแล้วก็จะคิดว่าเขาจะวางแผนยังไงในชีวิตของเขาเขาจะวางแผนยังไงในงานของเขาเขาจะวางแผนยังไง ที่มันมีอุปสรรคอยูนะ่จะให้สําเร็จร่วงไปได้ถ้าเขาไปนั่งอยู่ที่พุ่นวายเขาคงคิดไม่ออกท่านจะมาคิดอามาคิดอยู่ในโครนต้นไม้อย่างนี้แหละที่สงบสงัดสิทธตะได้ยินแนละ้อืมเราก็เหมือนกันเราเห็นคนแก่แล้วก็เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายแล้วเราคิดว่าเราจะแก้ไข ย, ยังไงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนะี่ย จะมีวิธีการแก้ไขไหมแต่เราคิดดูแล้วมันคิดไม่ออกพราะอยู่ในเวียงวังมีภาระมากทั้งบริหารจัดการปกป้องประเทศชาติแล้วก็ทำมาค้าขายติดต่อต่างประเทศภาระของเรามีมากแต่ละวันแต่จะให้เรามาค้นคิดหาวิธีกรรมวิธีการจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคงจะหาไม่ได้แล้ว มันไม่มีเวลาถ้าว่าเราได้มาค้นคิดอย่างสมณะท่านนี้เนะี่ยเราคงจะหาวิธีวิธีกรรมวิธีกา ร, รหาทางออกได้เนี่แหละเป็นสนวนแรกนะที่สิทธัตถะจะหนีออกไปบวชนะ่ะที่พระพุทธเจ้าเราจะหนีออกไปบวชจากนั้นท่านก็ไปชมสวนอุทยานทั้งวันพอกลับมาทราบว่านางพิมพายโสโธทระ ประศูดพระโอรสคือพระราหุลท่านก็จะเถือนใจอีกเหมือนกันอืถ้าเราอยู่ต่อไปเราคงจะรักลูกของเราอีกลูกเหมือนเสือกผูกคอไปไหนไม่ได้เครื่องพันธนาการเกิดขึ้นมากับเราเราคงไปไหนไม่ได้เป็นเครื่องพันธนาการแต่จึงตั้งชื่อว่าลูกชายของท่านจึงบอกพระราหุลพระราหุลกัน แปลออกมาเป็นภาษาไทยว่ารนะหูนะระหูนะแปลว่าเครื่องผูกพันเครื่องผูกพันทางด้านจิตใจของพ่อแม่ลูกเนี่ยเป็นเครื่องผูกพันของทางด้านจิตใจของพ่อแม่เนยที่ว่าระหูนะะท่านต่างชื่อลูกชายของพระ อ, องค์ท่านนะฮัลโหลพระพระหุนนะ่นจากนั้นท่านก็คิดคุ้นคิดว่าถ้าเราอยู่ต่อไปเนี่ยเราก็คงจะ จมปลักเข้าไปเรื่อยๆทั้งบริหารจัดการโดยทั้งรักลูกรักอาการไม่เหสีโดยรักใครต่อใครทั้งหมดท่านนี่เราควรจะหนีตัดพลายตัดสินพระไทยหนีหนีออกเดี่ยวกลางคืนนี่แหละอะ่การที่จะตัดสินพระไทยจุดนี้เนะี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันมันเป็นเรื่องที่ ฟ้าแผน่นดินทะเลทะลายเหมือนกันนะพวกเราคิดที่ขนาดเราหนีออกจากบ้านมาจะ ก, กลับไปอยู่พวกเราก็ยังคิดเป็นห่วงจนพอแรงอันนี้ตัดสินพระไทยจะไม่กลับเลยนะขนาดไหนเป็นเจ้าเป็นดินอีกต่างหากพวกเราคิดดูสิไม่ใช่ธรรมดาถ้าอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระครูป ร, รมครูของพวกเราพวกเราก็คงจะไม่กลาวว่าพุทธังสรานางังคัตฉ า, ามิเราคงจะไม่พูดเพราะเหตไร เหนือกว่าเรานะีความคิดเหนือกว่าพวกเรานะเราจึงได้ยึดว่าพุทธังสระนังคัดฉามิยนะขอยึดแนวปฏิปทาแนวความคิดของพระพุทธเจ้าเป็นสรณนะเป็นที่พึ่งฮ ะ, ะจากนั้นพระองค์ก็หนีออกในายชนะคนะึ้ขี่ขม้าเสร็จแล้วก็บึ่งเลยกลางคืนเที่ยงคืนแต่ตปัตตปืนแต่ปัตตปืนวิ่งรัดทุ่งรัดท่าไปเรื่อยๆนะจนไปถึงฝั่งแม่น้ําอโนมาณที จากนั้นพระองค์ก็ได้ไปนั่งอยู่ในริมแม่น้ำคงจะเป็นโขดหินนะแต่ท่านทำไมจะไปเจอที่นั่นท่านก็ไม่เคยไปเฉเลยเพราะมันเขตแขวงกุงราชคือนะตรงนั้นนะเข้าเขตแขวงกุงราชคือพระองค์ก็ไปถึงที่นั่นกับจนคนทั้งหลายไม่รู้จักถ้าอยู่ในเขตแขวงกุงกบิลพัทคงจะตามไปใช่ไหมล่ะ จะตามไปใไนปเขตแขวงกรุงเราจะคือจะตามไปตามไปยากล้วบนเขตเข็นเมืองอื่นเขาหนะก่อนจะเข้าเขตแดนเขานะแต่ท่านศีสตาท่านก็ไปพักเสร็จแล้วท่านก็นั่งโยโคถินนายสุธิยะเขาไปนั่งจมุมหนึ่งมาก็ามาัดไปมุมหนึ่งมาก็าคงหยุดเหนื่อยจนพอลังมันวิ่งตะพัดตะพื้ น, นเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะทวัดระยะทางจากกรุงกบินลพัทไปสู่ตรงที่ ฝั่งแม่น้ำอโนมานะอโนมานาทนะีห่างกันประมาณ200ร้อกว่ากิโลนะกจากนี้ไปก็เมืองขอนแก่นมันก็พอเหมาะเพราะว่าม้าวิ่งขนาดนี้นะหลายชั่วโมงก่อนจะไปถึงประมาณเมืองขอนแก่นจากจังหวัดขอนแก่นจากนาคําน้อยของเรานะประมาณสองรกว่ากิโลนะจากนี้ไปจากเมืองวัดเราไปอุดรก็ร้อี่ใช่ไหม ร้อสิบหกกิโลนะจากอุราไปขนแก๊สอีกร้อยยี่สิบนะประมาณสองร้อยกว่านะนี่ขนาดนี่แหละจากนั้นพระองค์ก็ส่งผนวดนั่งอยู่ตามลำพังแล้วก็ตัดพระโมรีตัดผมนะผมพระเจ้าไปดินตรงมวยมวยในสมัยนะั้นมวยเอาไว้ผมยาวใช่ไหมมวยเป็นกระจุบบนศีรษะนะเสร็จแล้วพระองค์ก็จับมวย ผมมาแล้วก็ตัดตัดด้วยพระแสงดาบประดาบแสงดาบพระเจ้าแผ่นดินสมัยนั้นคมยิ่งกว่าคมอีกนะยิ่งกว่าคมมีโกนอีกนะท่านก็ตัดด้วยพระแสงดาบแล้วก็เทวดาจุวนายชนะก็ไม่ทราบแล้วผู้ที่ใจสูงมารับเอาพระเกศาของพระพุทธเจ้า สิทธิ์ฐายังไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้ายังเป็นสิทธิ์ฐาอยู่นะรับไปจากนั้นพระองค์ก็เอาผ้ากาสาว ะ, ะผ้ากาสาวะพัดคือผ้าสีเหลืองเนี่ยผ้าย้อมฝาดมาหุ้มพระองค์เองนั้นก็ปลดเครื่องทรงของพระองค์ที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินออกเปิดปลดเครื่องทรงออกเสร็จแล้วก็ห่อเครื่องทรงพระองค์ก็ หมผ้ากาสาวพัดที่คลองที่ย้อมด้วยน้ำฝาดจากนั้นก็ได้มอบเครื่องทรงให้กับนายชนะเอาช น, นะเอาไปนะเอาไปทำมาเอาไปจับจ่ายขายอันไหนที่จะจับจ่ายขายได้เลี้ยงชีพของเธอนะอท่านไม่ได้ห่วงหาอะไรอะไีเของที่ที่พระองค์ที่เอาไปมอบให้ช น, นะ ผ, ผู้ติดตามนะาผเดเสร็จแล้วคุณคล้องผ้าซากาสาวพระพัดเสร็จแล้วไปกลับชนะกลับซะกลับกับม้านะที่พระ อ, องค์เอาในในชนะมาเนี่ยคือจุดประสงค์คือให้อนำม้ากลับถ้าาว่าพระ อ, องค์ไปองค์เดียวใช่ไหมนะ่ะนั่งม้าไปองค์เดียวนะไปถึงแล้วจะทําไงทั้งจะบวด้วยทั้งเลี้ยงม้าด้วยใช่ไหมล่ะ ก็เป็นภาระของพระองค์อีกทีนี่เนี่ยนีท่านก็วางแผนของท่านเหมือนกันนะพระพพุทธเจ้าท่านบวร ม, มะครูเนี่ท่านฉลาดใครจะฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าใช่ไหม เ, เป็นพระโพธิสัตว์ก็ฉลาด เ, เป็นสมัยก่อนเฉลาดมาตลอดเต้องใช้สติใช้ปัญญาตลอดนะเะจติญปัยชนะกั บ, ช น, กบชนะกับตาละห้อยนอืมก็ไม่รู้มาก่อดใช่ไหมล่ะ ว, ว่าเจ้านายจะทําอย่างนี้ใช่ไหม จะจะทเอากลับชนะฉันนาจะทำยังไงได้เมื่อเจ้านายสั่งก็ยังเคารพในเจ้านายถ้าเจ้านายสั่งออกไปแล้วไม่ปฏิบัติตามเดี๋ยวคอขาดอีกสมัยสมัยก่อนนะแต่เขาเนี่คงจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ฉนะันฉนก็ต้องเคารพในพระวาจาของเจ้านายอย่างอย่างเก่านะจากท่านฉนะก็ได้หอกเครื่องทรงของ สิทธิษฐะจะไ้ก็คงจะมัดติดคอนมัดติดเอวก็ไม่ตบตะเปรก็ไม่ทราบแล้วงั้นแขึ้นม้าขันตะกะนะอพอขึ้นม้าขันตกะกออกมาจากที่ทรงผนวดพระพุทธเจ้าแต่ม้าขันตกะเป็นม้าแสนรู้ทีเนี่ยแสนรู้รู้จักหมดนะพอนั่งไปไม่เห็นสิทธิษฐะนั่งอยู่บนหลัง พอนั่งบนหลังก็มองซ้ายมองขวาไอ้ทำไมสิทธัตถะท่านไม่ขึ้นมาบนหลังมีแต่ให้ในายชนะคนเดียวนะ่ะต่นั้นม้าตัวเลยวิตกกังวลอย่างแรงนะคิดถึงเจ้านายของตัวเองอย่างแรงนะม้าตัวนั้นก็เลยหัวใจหัวใจแตกตายไนงะหัวใจวายไนะตายพอผลนพระเนตประกันของสิทธัตถะท่านั้นละ่ะม้าตัวนั้นก็เลยตายล้มตายนะพอตายช น, นะก็ จะทำไงได้ลนะม้าตายเลยเนี่ยคงจะเดินเดินจากจากเมืองขอนแก่นมาถึงวัดของเราหนึ่งท่านพักกี่คืนถ้าท่านช น, นะอย่างอยู่หลวงพ่อก็จะถามถามท่านดูเหมือนกันนะแต่เนี่ยเป็นพุทธประวัติเนี่ยอันนี้เราเราให้ลูกหลานฟังในรายละเอียดนะเนี่ยหลวงพ่อได้ฟังได้ศึกษามาแล้วก็วิเคราะห์จากนั้นก็พาเสร็จแ ล, ล้วก็กลับมาถึงกรุงกระบินละพัดนะ วงจะแจ้งเขาให้ทางเวียงหวังเร่รับทราบว่าศิริษฐ์จงไปส่งประนวดจู่ในฝั่งแม่น้ำมโนมาณทีนี่แหละที่หลวงพ่อพูดเบื้องต้นว่าพระพุทธเจ้าเนบวชมาเนี่ยท่านทำยังไงท่านแห่แหนแห่นาคไหมกินเหล้าเมายาตีตะโพนตีกองล่องเพลงมีไหมก็อพอฟังออก พวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ยินหลวงพ่อพูดเนี่ยก็คงจะฟังออกแล้วว่าอืมสิทธัตถะทิณหนีออกบวชนะท่านหนีอย่างนั้นเองหนอพระพุทธเจ้าบรมครูของพวกเรานะในเพราะนั้นพวกเราจะว่าหลวงพ่อบวชแบบเรียบง่ายนะลูกหลาน อ, อไม่ได้ทําแบบคึกกระทึกคึกโครมนะยึดแนวแถวปฏิปทาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ท่านหนีออกบวชออกไปเวียงวังอสองคนกันเลยชนะนะ แต่ในพวกเราอย่างพะลุงพลังอย่างมีพ่อมีแม่มีวงศาคณาญาติปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายนํามาบวชเพื่ออนุโมทนากับผู้ที่จะบวชเป็นบุญเป็นกุศลของผู้ที่จะบวชอันนี้กเ็เป็นบุญกุศลอนุโมทนาแล้วกัเมื่อบวชเข้ามาแล้วพระที่บวชใหม่พระเข้ามาบวชจะไป น, นั่งจุกนั่งเเยวคิดถึงบ้านอย่างเดียวนะ ไม่รู้จะเอาบุญให้พอ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องอย่างไรนะ เ, เราต้องบำเพ็ญ น, นะศีรถนะพอท่านบวชเสร็จแล้วนายชนะกลับมาแล้วนะ่ะท่านนั่งอยู่โคลนหินโขดหินอยู่ในล่มต้นไม้ท่านนั่งคิดเราเป็นอิสระจริงๆนะเมื่อเราอยู่ในเวียงวังนะเหมือนกับอยู่ในกรงขังจะไปที่ไหน อ, อก็ไปลําบาก แต่บัตนี้อิสระเราจะเดินไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้ไม่มีพิษมีภัยเหมือนคนกับเป็นหนี้มีหนี้ศินมาก่อนแล้วก็ปลดหนี้ได้แล้วแล้วก็เหมือนเราเป็น เ, เป็นไทยตะกอนเป็น เ, เป็นข้าเป็นทาสของคนอื่นแต่แล้วบัตรนี้เราเป็นอิสระ เ, เป็นไทยเต็มตัว เ, เป็นอิสระเต็มตัวนี่แหละศิทธิ์ธรร ท่านเข้ามาบวชท่านคิดอย่างนั้นนะไม่เหมือนกับพวกนาคทั้งหลายบางคนพอุนี้ออกจากบ้านจากเรือนมาเข้ามาบวชแล้วเฮ็ดโกโซคิดถึงบ้าน เ, เหมือนกระลิงอยู่ในกรงลักษณะอย่างกั้นแหละเมืนันเราจับลิงเข้าไปไว้ในกรงลักษณะอย่างงั้นแ่ะพวกเราเคยเห็นไหมหลวงพ่อเคยจับลิงไปปล่อยที่อื่ น, นพอจับขามาแล้วไปขังไว้ในกรง <c ười> นี่ก็เหมือนกัน มันตรงกันข้ามกับศิทธรรมตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าตอนนี้โอ้เบิกบานจริงๆมีความสุขจริงๆที่ได้ออกมาเป็นนักพรตนักบวชเนี่ยอิสระในการเป็นอยู่นะจะคิดองไรก็จะคิดได้ทีเนี่ยนะเพราะเราไม่ได้จุงเหยงวุ่นวายกับสิ่งภายนอกนะพระองค์สวยความสุขอยู่เจดวันฮนะไม่สวยภักดิาหานะ นั่งเดินนั่งเดินนอนแถวนั้นอ่ะเจ็ดวันไม่ได้ทึบไม่ไม่ทานอาหารเลยไม่ได้กินข้าวเลยอมีความสุขในการเป็นอยู่ในการเป็นอิสระนะนี่แหละพอวันที่แปดแล้วพรงจะหิวน่ะสิพอพระองค์ก็มีธาตุขันเหมือนกันนะมีธาตุมีขนันมีท้องมีปากมีร่างกายเหมือนกันหิวนะ่ะหิวอาหารพร อ, องค์ก็ไปบินทบาทไปนะอุ่มบาดไป ท่านก็เตรียมบาทไว้ละไปบินทบาทในหมู่บ้านพ่อเขาก็จะไปรู้จักยังไงใช่ไหมแต่คนชาวบ้านไปเห็นโอ้นักพรนักบวชมาจากไหนนี่ท่านมาขอข้าวมาขออาหารชาวบ้านเขาก็รู้เพราะสมัยนั้นนักพร น, นักบวชก็มีมากพวกแก่ผ่าชีเปลยก็มีพวกพลุงพลังหนวดเขายาวก็มีพ่อนุ่งหนังเสือก็มีมีตหลายอย่างนักพรนักบวชสมัยครั้งพุธกาลนะ แต่สิทธิฐานในท่านก็ครองผ้ากาสาวพัตดนะเข้าไปบินทบาทในหมู่บ้านพอเข้าไปบินทบาตในหมู่บ้านท่านนะชาวบ้านเขาก็ลุ่มมาใส่บาทท่าทุกวันเนี้กับทาไปบินทบาทแถวบ้านนอกของเรากันไม่ลูกแกงเห็ดไม่ลูกแกงบอลไม่ลูกแกงขี้เหล็กเนะี่ยใครได้กินอะไรเขาก็ตักบาทตักบาทสิทธิฐานใช่นะเหมพอตักบาทแล้วสิทธิฐานก็มองดูบาทหนึ่งพอละ อาหารขนาดนี้พอสําหรับคนคนหนึ่งพ่ะองค์ก็เสด็จกลับม า, มาหาที่พักนะอแต่อาหารชาวบ้านในชะ่เขาไม่ได้หมกหอ่อใส่ถุงพลจะติกใส่ใบกล้วยหอ่อไม่ไม่มีนะไปใครตักได้แกงบอนก็นกนตักลงใส่บาตรได้ข้าวก็ตักลงใส่บาตรนะใส่บาตรท่นทานศะรีษะถานท่านพอกลับมาท่านก็มาเห็นมามองบาตรของท่านโอ้ สมัยก่อนเราเป็นกษัตริย์อาหารของเราเนี่ยช้อนเงินช้อนทองอมีคนเอาอาหารมาให้มายกมาถ้วยนี้ตักชิมเข้าไปาถ้าอร่อยก็อเออตักเป็นช้อนสองช้อนสามาถ้าไม่อร่อยเอาช้อนเดียวไปเอาถ้วยใหม่มาอีกช้อนเงินช้อนทองแต่ละถ้วยแต่ถ้ว ย, วย อ, าอาหารการบริโภคของท่าน แต่บัดนี้อาหารรวมกันอยู่ในบาดไม่รู้แกงขี้เด็กไม่รู้แกงหมอนบอนไม่รู้ว่าแกงหน่อไม้ไม่รู้ว่าแกงเตาแกงหวายแกงสารแกงอะไรอยู่ในบาดคลนกันไปหมดท่านมองเห็นแล้วท่านจะฉันได้เรื่องนี่นะแต่ท่านก็วิตกกังวลเหมือนกันนะพราะอะไรเพราะอาหารมันแปลกใช่ไหมล่ะแ ต, ต่ท่านก็สอนท่านเธสิทธะแต่ก่อนเธอเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เราเป็นพระเจ้าเป็นดินอาหารก็ต้องอาหารพระเจ้าเป็นดินอาหารของราชาแต่บัดนี้เราเป็นผู้ขอพิกเวไปว่าผู้ขอเป็นผู้ขอทานเป็นผู้ขออาหารเขาเขาทานอย่างนี้เขากินอย่างนี้เขาจึงใส่บาตรให้เราเพราะฉนั้นเราจะไปกินอาหารเหมือนราชาได้อย่างไงเมื่อเราเป็นผู้ขอเขาให้อย่างนี้เราต้องทานอย่างนี้ต้องกินอย่างนี้เขากินแล้วเขายังออกมาทานให้เราเขากินอย่างนี้เขาจึง Stadt, ม, ม า, าทำบุญกับเรา จากนั้นวันแรกสิทธัตถะท่านก็คงหลับหูหลับตาทานนะทานอาหารที่เขาใส่บาตรมานพอทานเสร็จแล้วท่านก็อืมร่างกายของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ต้องการอาหารติดีๆอะไรเเมื่อทานเข้าไปแล้วก็มีกําลังวังซาขึ้นมาปกติเพราะเป็นอาหารตกไปในท้องมันก็ย่อยเข้าสู่ร่างกายมันก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย แต่อาหารนี่ไม่ใช่ตรงการของดีๆเท่านั้นจึงจะเลี้ยงร่างกายได้อะไรก็ได้ที่มันทานเข้าไปไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่เป็นโทษนะตัวร่างกายร่างกายมันก็รับได้เนี่ยจากจากนั้นมาวันต่อมาพระองค์ก็สเสวยภกยาหานี่แหละการดํารงชีพของ พ, พระพุทธเจ้าของเราศิริษฐะของเราท่านบําเพ็ญอยู่ในปา่าทั้งหปีนะ เอ่ทึงหกปีพระราชาไปอยู่ในป่าทั้งหกปีเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันเอ่หมงหมอนท่านมียังไงบ้างไม่มีใครได้กล่าวถึงจุดนั้นนะ่ะเอมุมูหมอนท่านพักที่ไหนท่านยังไงใครมาช่วยทําเสนาชนะให้ท่านไม่ได้บอกไม่ได้มีไม่มีไม่ได้กล่าวไว้นะเอ่ท่านอยู่ทั้งหกปีจนถึงวันพอหกปีแล้วท่านจึงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโปธิยานที่โคนต้นโพนะนี่แหละอันนี้คือพุทธประวัติ เพนั้นพวกเราที่พูดกล่าวให้ฟังพระเนนลูกหลานทุกคนอย่าไปท้อแท้อ่อนแอว่ะข้าพเจ้ามาอยู่อย่างนี้มีแต่ความทุกข์ยากลําบากถ้าคิดถึงบรมครูของพวกเราแล้วนะท่านลําบากขนาดไหนที่เป็นศาสดาของพวกเราไม่ใช่ว่าต้นศาสดาต้นศาสนาของเราพุทธะเนี่ยอยู่ด้วยความฟุ่มเฟยอยู่ในเวียงวังแล้วก็สอนธรรมะไม่ใช่นะลูกหลานนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังเนี่ยนะให้พวกเรานึกถึง อบอรรมวครูท่านลำบากขนาดไหนท่านคิดอะไรท่านคิดเรื่องของใจนะนีการมาบวชในพุทธศาสนานะไม่ใช่หาความสุขทางกายนะไม่ใช่ทำงานทั้งวีทั้งวันไม่ใช่เดินยังโกลมดูใจหาย ใ, ใจเข้านั่งเวลานั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงทำกายให้ตรงเช้ปนมือซะก่อนนะอย่าพึ่งเอาคม มือขวาทับมือซ้ายปนมมือซะก่อนพอนั่งขาขวาทับขาซ้ายแล้วปนมมือขึ้นระหว่างอกก่อนนึกพุทธโธธัมโมสังโฆคือไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนเรื่องวิ ธ, ธีการภาวนาเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่หลวงพ่ออินสอนนะไม่ใช่หลวงตาสอนนะเป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้รับธทำคําสอนมา เมื่อพวกลูกหลานเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเป็นพระแต่ละผู้ใหญ่ขึ้นมานะลูกหลานก็ต้องเอาคําที่หลวงพ่อบอกสอนหนึ่งเป็นทานํทาออนะทคํ า, คาสอนของพระพุทธเจ้าสอนต่อเองผู้ที่ได้รับก็นั่นแหละคือเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องจะทําวิธีกรรมวิธีการภาวนาเนะจ้าลึงและลึกถึงพุทโธธ ร, รมโมสังโฆพุทโธธ ร, รมโมสังโฆพุทโธธ ร, รมโมสังโฆสา ม, มจบ ระดึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนจากนั้นเอามือลงนะจากนั้นขณะที่นั่งเลยร่างกายทุกส่วนไม่มีการเคลื่อนไหวใช่ไหมเคลื่อนไหวตะลมหายใจเข้าหายใจออกนะมันมีแต่เท่านี้เคลื่อนไหวเราก็เอาสติสัมปชัญญะจับที่ปลายจมูกของเราหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทพุทโทพุทโ ท, ทแต่อย่าไปแต่งลมนะให้มันเป็นธรรมชาตินะ หายใจเข้ามีสติสัมปชัญญะหายใจออกมีสติสัมปชัญญะพุโทโธไม่ให้เผลอทําเผลอกลับเรื่อกมาอีกกลับมาไว้ที่เกา่าถ้ามันเผลอไปกลับมาไว้ที่เกา่บาบังคับนะไม่ให้มันคิดปุงพุ่งไปทางอื่นอันนี้คือการนั่งภาวนาแล้วก็นั่งนานๆชั่วโมง3า ม, ชม ส, ามสามชั่วโมงบังคับนะถึงจะเจ็บปวดก็อดทนเราไปทําการทํางานอย่างอื่นแล้วยังอดทนได้ แต่นี้เราต้องอดทนในการนั่งพอเราจะออกจากสมาธิเราก็ปนมมืออีกอุทิศส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิในวันนี้ขอให้เป็นพลังเกื้อกูลนุนบุญกุศลพ่อแม่ปูญญ่ย่าตายายบงสาคณาญ า, าตตกทุกข์แต่ยากผลให้ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วขอมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นพ่อแม่ของเรายังมีชีวิตอยู่ขอให้เจริญยิ่งด้วยลาบยศชนะเสริญฉุขและก็ตัวของข้าพเจ้าเอง ขอให้ดำรงชีพไปด้วยความราบรื่นจะได้มีอุปสรรคนานับประการด้วยบุญกุศลที่ได้บำเพลนเรื่องจิตตภาวนาในวันนี้น ะ, ะจากนั้นนะค่อยออกจากสมาธินะแล้วก็เดินยังกรมอีกเหมือนกันเดินเดินยังกรมขาขวาพุทธขาท้ายโถมือประสานไว้ที่ท้องน้อยน ะ, ะแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้กวยแขนไม่ให้มือควยหลังไม่ให้มือกอดอกนะให้มือประสานที่ท้องหน้าท้อง ถ้าหายขึ้นมากับแปลว่ามือขวาอยู่ข้างบนมือซ้ายอยู่ข้างล่างนะถ้ า, า, าหา ว, ว่าคว่ำาเรากคคว่ำมือแปลว่ามือขวาอยู่ข้างในมือซ้ายอยู่ข้างนอกนะแล้วจากนั้นกับขาขว า, ขาพดทธขาซ้ายโทว่าการเดินเหมือนการเคลื่อนไหวใชไหมเราจะไปกําหนดลมหายใจไม่ได้มันสับสนเลยให้กําหนดที่ขาก้าวเดินขาขวาพดทธขาซ้ายโทพดโทพุโทพโธพุทโธนะอันนี้คือ การเดินจงกลมนานไหมเดินเป็นหลายๆชั่วโมงนะ่ะแต่หลวงพ่อเคยพูดให้ฟังหลงพ่อเดินตลอดทั้งคืนนะเดินเดินเดินเนี่ย ก, กลมนะเคยเดินนะแต่นั่งไม่เคยนะแต่เดินนี่ขมเคยนะเจากนั้นกนเราก็ปนมมือขึ้นระหว่าง อ, อกเวลาจะออกจากการเดจงกรมก็อุทิศส่วนกุศลอย่างที่เหมือนนั่งสมาธินั่นแหละนี่แหละอันนี้คือหน้าที่ของพระท่านไม่ได้ให้ทําการทํางานไม่ได้ เขียนหนังสือทั้งวีทั้งวันไม่ใช่เอออันนี้คือหน้าที่ของพระคือให้มาดูจิตใจของตนเองจิตใจเรานึกคิดเรื่องอะไรแต่ละวี่แต่ละวันถ้าเราไม่มีสมาธิมันดูไม่ดูไม่ออกนะดูไม่ได้เพราะนั้นเราต้องดูดูตัวของเราเมื่อทำจิตใจให้สงบแล้วนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เป็นพระบาลีไปเลยนะนัตถิสันติปรังสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มนะีอันนี้ให้พวกเราทดลองทดสอบดูนะปฏิบัตินะอาตอนนี้ไปส่งอนุโมทนาให้พรรับพรนะ้าจะนี่นะเมื่อทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแดีวขึ้นบนศาลานะจะบวชพระสององค์วันนี้นะ